จอมพรานยิ้มแยกเขี้ยวตาเพ่งนิ่งอยู่ที่ผิวหน้าสีทองแดงเป็นเงาวับแวมอยู่ในแสงของกองเพลิงนั้นไม่กระพริบอนณาจากป่าในย่านนี้ตลอดไปจนกระทั่งหมู่บ้านหล่มช้างแกเห็นจะชำนาญปลูกโปรกมาเป็นอย่างดีแล้วสินะถ้าผมปฏิเสธผมก็เจตนาทุจริตต่อท่านถูกแล้วผมท่องเที่ยวอยู่ในย่านนี้มานานพออาจนานไม่น้อยไปกว่าท่าน แกชราดที่ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่แกก็รู้ว่าปฏิเสธไปไม่ได้ฉันทันแกเสมอเท่าเท่ากับที่แกก็อาจทันฉันอยู่ทุกฝีก้าวย่างว่าแต่นี่แนะ่เขาวเว้นระยะหยิบปืนวินเชสเตอร์ 44-40 แบบโบราณของแง่ทรายซึ่งวางพิงอยู่กับกองฟืนขึ้ น, นมาดะในมือแล้วสลัดคารเวียงออกสำหรับสำรวจดูกระสุนอย่างปรจาจ่าความหมายปากก็พูดต่อ ในระหว่างหล่มช้างกับจุดหมายปลายทางที่เรากำลังจะมุ่งไปแกเคยสำรวจมาก่อนบ้างแล้วหรือเปล่าอดีตนายทหารกองโจรกะเลียงสายศีษะแช่มช้ามองตาเขานิ่งไม่รลบเกินความมานับพยายามโดยสองท้าพเนจรของผมจะบุกบั่นไปได้แต่ผมก็จะได้เคยทดลองดูบ้างแล้วเหมือนกันมันไม่สำเร็จแล้วแกคิดว่าเราจะไปกันได้ถึงไหน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 ชีวิตพนเจจอนจรอย่างผมมีค่าต่ำกว่าชีวิตของท่านมากนักความจริงฉันไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรเลยแงซายเขาพูดเท้าห้าวเคร่งขมแต่ฉันต้องทำงานเพื่ อ, อยางชีพแม้ว่าการทำงานบางอย่างมันจะเสี่ยงกับการเอาชีวิตของตนเองไปทิ้งฉันก็ต้องยอมถ้าฉันพิจารณาว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะวรแล้วแกสิแงซายแกเป็นคนกล้ามาก กล้าเสี่ยงเข้ามาโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแม้แต่ค่าจ้างซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรเป็นจุดมุ่งหมายแท้จริงของแกกล่าวจบระพินวางปืนของหนุ่มชาวดงผู้ลึกลับลงที่เดิมแล้วออกเดินพ่ะไปอย่างที่นอนของเขายังไม่ทันจะร้มตัวลงนอนบุญคำกับเกิดก็เดินตรงเข้ามาด้วยอาการรีบร้อนผิดปกติต่างซุดตัวลงนั่งยองๆใกล้เขากระซิบ เจ้านายครับถ้ามันจะไม่ได้การสิแล้วระพินขมวดคิ้วจ้องหน้าพรานพื้นเมืองคู่ชีพของเขาทั้งสองทำไมมีอะไรหรือบุญคำไอ้กุดมันย่องตามหลังพวกเราตั้งแต่ตอนที่เราผ่านหุบเมื่อบ่ายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆแคมป์ของเรานี่เองจอมพรานตาสว่างวาวขึ้นในบัดนั้นไอ้กุดที่พรานของเขาเอ่ยถึง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 สาเหตุที่พานทั้งหลายขนานนามมันว่าไอ้กุดก็เพราะเมื่อปีเศษที่แล้วมาผ่านพื้นเมืองเก่าแก่ของนายอัมพลคนหนึ่งถูกมันขย้ำและลางเอาไปเป็นเหยื่อในขณะที่เดินสองเก้งอยู่ในที่ทุ่งโลง่งบริเวณใกล้เคียงกับสถานี ก, กักสัตว์ของรพินเองในคืนเกิดเหตุสยองนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แยกกันส่องเก้งอยู่ไม่ห่างออกไปนักได้ยินเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดและตกใจของผ่านผู้นั้นอย่างถนัด วิ่งหน้าตื่นมาตามเขาราพินพร้อมกับพานคู่ใจของเขาออกตามรอยในคืนนั้นพบแต่ศพชายผู้ก่อร้ายถูกลากเข้าไปซุกที่โขดหินซับซ้อนบริเวณหนึ่งห่างจากตำแหน่งเกิดเหตุเกือบหนึ่งกิโลเมตรเต็มๆท้องของศพเบะิกวะเครื่องในถูกลากออกไปกินหมดเขาแจ้งข่าวร้ายไปให้ในอํานุผู้อำนวยการบริษัทไทไวท์ไรท์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 เจ้าเสือร้ายก็ย้อนกลับมาที่ซากพระพินเป็นคนส่องไฟและนายอำพลเป็นคนยิงแต่จะเป็นเพราะมือที่ไม่เคยชินมาก่อนหรือจะเป็นเพราะความตื่นเต้นอย่างใไดไมิทราบได้ภายหลังจากกระสุนปืนของนายอำพลระเบิดออกไปเจ้าลายผีสิงพระจากเยื่อเพ่นพรวดหายเข้าไปในดงทึบเมื่อเข้าไปสำรวจก็พบว่านิ้วข้างหนึ่งจากอุ้งตีนใหญ่โตทางด้านขวาของมันขาดตกอยู่ให้เห็น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 ตลอดจนกระทั่งพวกที่อาศัยอยู่ตามดงถูกรังควานชนิดนอนตามไม่หลับดูเหมือนอีกครั้งสุดท้ายนับได้ศพที่13บสาโดยไม่รวมถึงพวกวัวควายสัตว์เลี้ยงที่ถูกลากเอาไปมันไม่แน่นักว่าไอ้กุฏจะเข้าจู่โจมชีวิตคนและสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเพื่อเฉพาะเป็นอาหารประการเดียวเพราะปรากฏอยู่บ่อยๆว่ามันเคยขย้ำพวกตัดไม้ของนายแอมพพนเสียสองศพซ้อนภายในวันเดียวกัน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 ก็ถือว่าคนเป็นศัตรูที่มันจ้องอาฆาตด้วยเร่เหลี่ยมไวพ้พริพอัญชราดล้มอย่างชนิดที่ก็น่าจะเชื่อตามที่ชาวบ้านพูดกันเหมือนกันว่ามันเป็นเสือสมิงระพินเองเคยติดตามมันมาเป็นเวลาแลมเดือนไอ้กุดเหมือนจะมีสัญชาตญาณรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับจอมพรานอย่างละพินเป็นภัยกรันเช่นไรเพราะฉะนั้นเขาจึงพบแต่รอย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 เพราะการมุ่งหน้าติดตามอย่างจริงจังของเขาไม่ได้ผลมันคอยหลีกกลบเขาเหมือนนกรู้และระยะหลังประมาณสามสี่เดือนที่แล้วมาข่าวของมันก็ดูจะสางซาไปไม่แผ่วพานเข้ามาราวอรารวาสในเขตหนองน้ําแห้งอีกบัดนี้เป็นไปได้หรือที่ไอ้กุดวายร้ายนั่นเข้ามาแผ่วผ่านป้วนเปียกอยู่ใกล้เคียงกับคณะเดินทางของเขาแกแนใ่ใจหรือว่าเป็นไอ้กุด รพินถามบุญคำกับเกิดมองดูหน้ากันไม่ผิดหรอกครับมันแน่ๆเกิดเป็นคนตอบจำได้ไมั้ยครับตอนที่ผ่านหุบผมกับเสยเดินคุมอยู่ข้างหลังตะโกนบอกเจ้านายว่าเสือดามันกระโดดผ่านไปทางด้านหลังความจริงมันไม่ใช่เสือดำหรอกครับมันเป็นเสือโคร่งใหญ่แต่ผมยังไม่อยากจะบอกเจ้านายตอนนั้นเพราะสงสัยอยู่ว่ามันอาจเป็นเอกรุ่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 พวกเราเคยแกะรอยมันไปกับเจ้านายหลายครั้งทำไมผมจะจำรอยมันไม่ได้นี่แปลว่ามันจะต้องย่องตามพวกเรามาตลอดเวลาและไอ้ที่เห็นกระโดดผ่านทางครั้งแรกก็คือมันนั่นแหละไม่ใช่คนละตัวแน่ๆจอมพรานเม้มริมฝี ป, ปากบุญคำก็บอกเสริมมาอีกว่าสักเมื่อสองทุ่มนี้ก็เหมือนกันผมส่องไฟออกไปทางด้านดงทึบโนนเจอตามันพอดี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 เพราะคนเหล่านั้นก็ล้วนเคยร่วมติดตามรอยเสือร้ายผีสิงตัวนี้มากับเขาทั้งสิ้นเสรยกับจันก็รู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับสองคนนั้นอยู่ที่ไหนยังไม่ทันจะขาดคำพรานพื้นเมืองของเขาอีกสองคนก็พากันเดินตรงเข้ามาแสดงว่าไม่มีใครหลับนอนกันเลยทั้งๆ ท, ที่เวลาตอนนี้เป็นกำหนดยามผัดเปลี่ยนของบุญคากับเกิดเพียงสองคนทาไมไม่บอกให้รู้ตั้งแต่ตอนหัวค่าว่า ไอ้กุดมันย่องตามเรามาตั้งแต่บ่ายพวกเราก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่ามันจะตามเรามาถึงที่นี่ทีแรกคิดว่าอาจเป็นการพบโดยบังเอิญระหว่างทางเพื่อจะมาแน่ใจเอาตอนที่เราพบรอยของมันเมื่อยกหยกนี้เองเป็นการยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่ตัวอื่นบุญคําว่าเมื่อกู่ใหญ่ฉันได้ยินเสียงคำรามมาจากทางด้านลานําธารมันนั่นแหละครับเสยกับจานอยู่ที่นี่แหละเฝ้าแคมป์ไว้ บุญคำกับเกิดไปกับฉันรับหินสั่งแล้วออกเดินผ่านแนวกองไฟที่สมไว้รอบด้านบ่ายหน้าลงไปยังลาําธารบุญคำกับเกิดเดินเรียงหน้ากระดานตามเขามาติดๆใช้ไฟฉายส่องนำทางและกราดวอบแวบไปมาโดยรอบเกิดส่องไฟไปที่โขดหินก้อนหนึ่งงอกอยู่ในน้ำมีระยะห่างจากฝั่งอันเป็นพื้นกรวดประมาณสมวาบอกให้เขาทราบว่า โคหินก้อนนั้นเป็นที่ซึ่งสำรวจพบรอยตีนของมันชนิดที่เหยียบรุยขึ้นมาจากทาร น, น้ำยังมีรอยน้ำหยดสดๆร้อนๆ อ, อยู่เมื่อตะกี้ระพินตรงเข้าไปในทันทีแล้วก็พบว่าสิ่งที่พรานของเขาบอกไว้เป็นความจริงทุกอย่างแม้น้ำค้างป่าจะรงจัดและจับซุ่มอยู่บนโคหินก็ยังสามารถที่จะสังเกตเห็นรอยอุ้งเท้าขนาดจานรองถ้วยน้ำชาที่ปรากฏได้อย่างถนัด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 หลักฐานที่เห็นอยู่นี้มันบอกให้ทราบว่าเจ้าเสือร้ายแสนรู้สะกดติดตามคณะเดินทางของเขามาตลอดระยะด้วยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดผิดวิสัยสามัญสัตว์คณะเดินทางของเขาใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดชั่วโมงนับตั้งแต่ออกจากหนองน้ำแห้งผ่านหลายทุ่งหลายดงกินระยะทางไม่ต่ำกว่ายี่สิบกิโลเมตรตลอดระยะเวลาและระยะทางอันยาวไกลนี้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 เสือผีสิงอย่างมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นภายและอะไรเป็นเหยื่อไม่เช่นนั้นมันคงไม่หลบรอดเงื้อมือเขามาได้ถึงป่านนี้ระพินพายวานหัวเราะหึห่งๆออกมาจากลำคอเดินลุยน้ำสองไฟเข้าไปสำรวจที่ริมฝั่งแล้วก็พบรอยชัดอีกกลุ่มหนึ่งที่บริเวณพื้นแฉะในหมู่ต้นบอนที่ขึ้นลกทึบริมลำธารเป็นรอยตีนของไอ้กุฏทั้งสิ้นบุญําและเกิดตามเขากระชันชิดไปทุกระยะ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 เพียงแต่ยิ้มฝืดฝืดกาดไฟส่องไปมาโดยไม่ยอมอยู่นิ่งมันไม่ได้ตามเราหรอกครับแต่มันตามควายส6หตัวลูกหาบสิบหคนแล้วก็นายจ้างของเราอีกสามคนมันรู้ว่านั่นคือเหยื่อบุญคำตอบหางเสียงสะท้านฟังไม่ออกว่าเป็นเพราะความหนาวเย็นหรือเพราะความสยองใจก็เหมือนกันนั่นแหละเรารับผิดชอบต่อชีวิตเหล่านั้น มึงเก่งจริงโผล่ออกมาเดี๋ยวนี้สิว่าไอ้กุดผีสางที่สิงมึงอยู่ก็เชิญยกขโยงออกมาด้วยเกิดผู้เลือดร้อนสะบดผลสวัสด์ออกมาดังๆเพราะมันเก่งนะสิเกิดมันถึงไม่โผล่ออกมาเดี๋ยวนี้ตามคําท้าของแกแต่มันจะโผล่ออกมาอีตอนที่แกไม่ได้ท้าและแกก็ไม่ทันรู้ตัวไปกับแคมป์กันเถอะรับรองว่าคืนนี้มันไม่เข้าไปใกล้แคมป์ของเราหรอกมันรู้แล้วว่าเรารู้ตัว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 แม้จะเป็นเวลากลางวันก็อย่าให้ลูกค้าลูกหาบคนไหนเดินเที่ยวคนเดียวออกไปห่างบริเวณแคมปนะ์นักแล้วจะนายจะเอาอยัางไงครับไอ้กุดมันตามสะกดวนเวียนอยู่ใกล้ๆเราอย่างนี้บุญคำผู้อาวุโสกว่าทุกคนถามขึ้นเบาๆก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยสิอย่าเผลอถ้ามันยังเฝ้าตามอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่สองทางเท่านั้นไม่มันก็พวกเราพวกนหนจ้างเราพอจะช่วยกันคุ้มกันได้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 แล้วเขาก็ไล่คนเหล่านั้นให้ไปหลับนอนโดยเหลือไว้แต่คนที่มีหน้าที่เฝ้ายามและเติมเชื้อไฟตนเองเดินตรงเข้าไปที่หน้าเต็นท์อันมีแง่ายนั่งคุมผ้าอยู่บนขอนไม้ดิมกองไฟแสงไฟวอมแวมสาดจับเป็นเงาตะคุ่มเหมือนภาพปั้นแกจะนอนหรือไม่ไม่สำคัญแง่ายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้ไฟหน้าเต็นท์กองนี้มอดเป็นอันขาด แต่ผู้กองก็รู้ดีไม่ใช่หรือครับว่าไฟจะมอดหรือไม่ไม่สาคัญมันสําคัญอยู่ที่ว่าคนจะหลับหรือไม่เท่านั้นสำหรับเสือกินคนนี่แกเห็นจะรู้อีกแร้สิว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบๆแคมป์ของเราระหว่างที่ท่านและพรานของท่านทั้งหมดนำพวกเจ้านายไปล่าเลียงผาเมื่อบ่ายผมลอกหนังหมูป่าอยู่ริมทาน้าผมเห็นมันในดงต้นบอนรอยที่มันย่าไว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 เดินเกรยออกไปนอกบริเวณแคมป์คนเดียวสวนกับเขาพอดีหล่อนทําท่าเหมือนจะไม่เห็นเขาเดินหลีกทางจะเข้าโดงแต่ระพินพูดเข้าไปสกัดหน้าอย่างกระทันหันสีหน้าของเขาเคร่งเครึมเสียงที่พูดเกือบจะไม่มีหางเสียงนั่นจะไปไหนดาลินหันมาทางเขาช้าๆวางปืนพิงผงไม้ดิ่มทางแล้วยกมือขึ้นเท้าเอวมองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของเขาสลับกันสองสาครั้ง